หลายเป็นการเพิ่มพูนปัญหาสะสมยิ่งขึ้นในทางตรงข้ามความรู้หรือความเข้าใจตามเป็นจริงจึงเป็นแกนนำของการแก้ปัญหาหรือดับทุกทุกอย่างในกระบวนธรรมะปฏิจจสมุปบาทสมุทัยาวาระว่าด้วยการก่อเกิดทุกข์ที่แสดงมาแล้วเริ่มต้นด้วยอวิชชาดังที่เขียนให้เห็นง่ายดังต่อไปนี้ ในที่นี้ท่านเขียนแต่ละคํามีลูกศรไปหากันนะครับซึ่งก็หมายถึงอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารและโดยในยะเดียวกันสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณจึงเกิดนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานพบชาติชราโมดณะ โสกับริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตเท่ากับทุกขะสมุทยัยในกระบวนธรรมะตรงข้ามคือปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระว่าด้วยการดับทุกขเริ่มต้นด้วยดับอวิชชาหรือไม่มีอวิชชาหรือปราศจากความไม่รู้คือมีความรู้ดังนี้อวิชชาดับ สังขารดับวิญญาณดับนามรูปดับสลายตนะดับผัสสะดับเวทนาดับตัณหาดับอุปาทานดับภพดับชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวทุกโทมนัสอุปาญาตดับเท่ากับทุกขานิโรธมีข้อที่ควรทําความเข้าใจเป็นพิเศษ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 คำว่าปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระจึงไม่ได้หมายถึงเพียงกระบวนการที่จะดับทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นแต่หมายถึงกระบวนธรรมะที่ปิดกั้นทุกข์กระบวนธรรมะที่ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นหรือกระบวนธรรมะที่ทำให้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเลยก็ได้และคำว่าอาวิชชาดับก็ไม่ใช่หมายเพียงดับความไม่รู้ที่เกิดขึ้นแล้ว แต่หมายถึงอวิชชาไม่เกิดขึ้นภาวะปราศจากอาวิชชาหรือปราศจากความไม่รู้ได้แก่มีความรู้หรือมีวิชานั่นเองรายละเอียดอย่างอื่นทั้งหมดพึงทราบตามแนวที่ได้บรรยายแล้วในเรื่องปฏิจจสมุปบาทคือบทว่าด้วยชีวิตเป็นอย่างไรกระบวนรธรรมะทั้งฝ่ายก่อเกิดทุกข์และฝ่ายดับทุกข์ อย่างที่เขียนแสดงไว้นี้เป็นวงจรแบบเต็มรูปหรือวงจรยาวคือมีองค์ธรรมะที่เป็นปัจจัยครบทั้ง12หัวข้อและทาหน้าที่สัมพันธ์สืบทอดต่อเนื่องเรียนกันไปตามลำดับจนครบทุกหัวข้อแต่ความจริงการแสดงปฏิ จ, จะสมุบาสมุททยาวาระหรือกระบวนธรรมะก่อเกิดทุกข์ไม่จำเป็นต้องแสดงตลอดสายครบทุกหัวข้อตามลาดับอย่างนี้เสมอไป ในบาลีปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงยักยื้องเป็นแบบอื่นก็มีสุดแต่ว่าจุดของปัญหาจะตั้งต้นที่ไหนหรือทรงมุ่งย้ำเน้นข้อใดแง่ใดอย่างไรก็ตามกล่าวโดยสรุปไม่ว่าจะทรงแสดงกระบวนธรรมะฝ่ายก่อเกิดทุกข์เป็นแบบใดก็ตามในฝ่ายดับทุกข์กระบวนธรรมะมีหลักทั่วไปแบบเดียวกัน คือตั้งต้นแต่ดับอวิชชาไปตามลำดับ